บทแผ่เมตตาบทแผ่เมตตาที่ใช้กันทั่วไปนั้นก็คือข้อความที่ว่าสัพเพสัตตาอเวราอภยาปัชชาอณีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นขออย่าได้มีเวรมีภัยต่อ ก, กันและกันเลยขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแร่เมตตาอันนี้ใช้กันแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่คำแปลของบทนี้อาจจะผิดแพกแตกต่างกันบ้างแต่ถึงกระนั้นใจความก็เหมือนกันนอกจากนี้ในบทสวดมนต์คือกรณียเมตสูตรซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่ากรณียมัทกุศเลนะ ยันตังสันตังปทังอภิสมเอจากเป็นต้นก็เป็นบทแผ่เมตตาเหมือนกันและเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ขอให้พิจารณาดูคำแปลโดยละเอียดและจะทราบความหมายได้ดีว่าการแผ่เมตตานั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ที่แผ่เมตตาจะได้รับประโยชน์อย่างไรและผู้ที่ได้รับจะได้ประโยชน์อย่างไรบทแผ่เมตตา ตามในยาของเมตตาสูตรคุณระบุผู้ต้องการจะบรรลุ ถ, ถึงทางสงบคือนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนนิพพานเมตตาคือให้อธิษฐานกล่าวในใจหรือจะกล่าวด้วยวาจาก็ได้ดังนี้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงซึ่งความสุขเถิดสัตว์เราใดก็ตาม ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะยังเป็นผู้สะดุ้งอยู่คือยังมีตันหาหรือเป็นผู้มั่นคงแล้วคือไม่มีตันหาแล้วก็ตามสัตว์เราใดซึ่งจะเป็นชนิดตัวยาวเช่นงูหรือตัวใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายหรือจะเป็นชนิดปานกลางหรือจะเป็นชนิดตัวสั้นตัวเล็กตัวน้อยอ้วนหรือผอมก็ตามจะเป็นผู้ที่เราเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ตามจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตาม ที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยกาลังสแสวงหาพบที่เกิดก็ตามขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงซึ่งความสุขเถิดและขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้ข่มเหงทําร้ายซึ่งกันและกันเลยและขออย่าได้ดูหมิ่นใครๆไม่ว่าในเรื่องอะไรและไม่ว่าที่ไหนๆและขออย่าได้ปรารถนาความทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความเกลี้วโกรธหรือเพราะความแค้นเลย มารดาผู้มีบุตรซึ่งเกิดจากตนเพียงคนเดียวย่อมจะมีเมตตาอย่างทราบซึ้งในบุตรและธนุถนอมบุตรนั้นด้วยชีวิตฉัน้นใดก็พึงมีใจเมตตาในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนมารดาเมตตาบุตรโดยไม่จํากัดว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรฉันนั้นอนหนึ่งพึงมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาคือแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณคือไม่จํากัดขอบเขตไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบนคือแผ่ไปยังสวรรค์หรือบุคคลที่สูงกว่าเบื้องต่ำคืออบายภูมิหรือบุคคลที่ต่ำกว่าเบื้องเฉียงคือแผ่ไปในโลกมนุษย์ทุกทิศซึ่งในการแผ่เมตานั้นขออย่าให้ทำใจคับแคบอย่าให้ในใจมีความโกรธเคืองมีเวรมีภัยกับใครเป็นศัตรูกับใครๆผู้เจริญเมตตาจิตนั้นจะยืนอยู่ก็ดี หรือเดินอยู่ก็ดีหรือนั่งอยู่ก็ดีหรือนอนอยู่ก็ดีตราบใดที่ไม่ง่วงก็ขอให้ตั้งสติอันนี้ไว้คือให้จิตมีแต่ความเมตตาอยู่ทุกอิริยาบถผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตาทุกอิริยาบถ ท, ทั้งมีเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวว่าผู้นี้เป็นพรหมในโลกนี้และผู้ที่มีเมตตาเช่นนี้ หากไม่เข้าถึงทิฏฐิคือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะคือสัสตตาทิฏฐิความเห็นว่าเทียงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือได้โสดาปติมักและกำจัดความกำหนัดในการทั้งหลายได้หมดแล้วคือตัดการมราคาปฏิฆะสังโย์ได้ขาดก็จะไม่มานอนในคันอีกต่อไปคือจะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งจะต้องมาเกิดอยู่ในท้องแม่นอนในคัน เราผู้ที่ละสังโยชนนี้ได้หมดแล้วจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในพรมชั้นสุทาวาดและจะได้เป็นพระอระหันต์ปรินิพานในชั้นสุทาวาดนั้นโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทั้งหมดนั้นคือคำปลของบทสวดเมตตาสูตรพร้อมการอธิบายขยายความนะครับ ซึ่งการสวดมนต์นั้นแนะนำว่าถ้าไม่มีเวลาหรือสำหรับคนทั่วไปและเด็กๆนั้นการสวดภาษาไทยล้วนจะเป็นประโยชน์และคล่องตัวมากกว่าการสวดบาลีนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องแปลเข้าใจได้ทุกคำทุกประโยคด้วยถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับซึ่งการสวดมนต์นั้นหวังผลที่ใจที่ความเข้าใจบทสวดเป็นสาคัญและน้อมใจตามบทสวดให้ได้จะสังเกตว่าถ้าหากท่านลองสวดภาษาไทยล้วน กับการสวดบาลีประโยคแปลประโยคจะได้ผลเป็นการเข้าใจซึมซาบถึงจิตส่วนลึกได้แตกต่างกันเหมือนการดูหนังนะครับถ้ามีภาคภาษาไทยก็จะเข้าใจได้ง่ายและซึมซาบเหตุการณ์ต่างๆได้เต็มที่กว่าการฟังภาษาที่แปลไม่ออกหรือต้องคอยมาอ่านซับศาสนาคริสต์นั้นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกได้ง่ายก็เพราะการสวดมนต์ของเขาไม่มีการสวดสองภาษาสวดไปแปลไปแบบชาวพุทธไทยนะครับ เลยทำให้สวนหมดแล้วเข้าใจง่ายและน้อมจิตไปตามบทสวดได้ง่ายขึ้นแม้แต่เด็กเล็กสวดแล้วก็เข้าใจทันทีจึงมีผลให้ซึมซับได้ง่ายตั้งแต่เด็กก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับบทแผ่เมตตาทั้งสองบทดังที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าการแผ่เมตตา ก็คือการแปรความคิดอันประกอบไปด้วยความเป็นมิตรหรือความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตาก็คือผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนและไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่มีความริษยาใครไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครไม่คิดจองเวรใครตรงกันข้ามในใจมีแต่ความปรารถนาดี คิดแต่จะให้คนและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีความปลอดภัยพร้อมทั้งปรารถนาจะให้คนและสัตว์ทั้งหลายมีความคิดเหมือนกับตนด้วยนี่คือความหมายของการแผ่เมตตาปัญหามีอยู่ว่าเมื่อตนเองคิดอย่างนั้นเราจะเกิดผลดีอะไรขึ้นมาทั้งแก่ตนเองและคนอื่นผลดีที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดกับผู้ที่มีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาอยู่เสมอนั้นก็คือในใจจะมีแต่ความสุขความแจ่มใสความเบิกบานความชุ่มชื่อนอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือถึงแม้ตนเองจะถูกเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิหรือถูกเขาประทุษร้ายถูกเขาแกล้งได้รับความอายุติธรรมผิดหวังถูกขัดใจประสบสิ่งที่ไม่พอใจ หรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจความกลุ้มใจหรือเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทนั้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทำใจให้ได้จริงๆเหมือนอย่างในบทแพ่เมตตานั้นความทุกข์ต่างๆดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยและถ้าผู้ใดซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหโทโสโกรธง่ายใจน้อย ถูกใครขัดใจหรือขัดคอไม่ได้ถูกว่าถูกตําหนิไม่ได้เป็นต้องโกรธขึ้นมาทันทีนั้นถ้าได้พยายามหัดแผ่เมตตาบ่อยๆดังที่ได้กล่าวไว้นั้นนิสัยที่ไม่ดีอันนี้ก็จะได้ค่อยๆหมดไปในที่สุดก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยเยือกเย็นอารมณ์ขุนมัวไม่มีเลยอันนีสสองที่ว่านี้จะต้องได้รับอย่างแน่นอน ข้อสำคัญขอให้คิดหรือกล่าวออกมาด้วยความจริงใจอย่าสักแต่ว่าเมื่อเขาบอกให้แผ่เมตตาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นหรือทำไปตามความเคยชินทำไปตามประเพณีเมื่อเขาแผ่เมตากันเราก็แผ่กับเขาบ้างส่วนใจจริงนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่พูดหรืออย่างที่คิดแผ่ในใจนั้นเลย ต้องจำไว้ให้ดีว่าคนที่แผ่เมตตาซึ่งจะได้ผลจริงๆนั้นข้อสาคัญต้องมีความจริงใจต้องหัดทําใจให้เกิดความรักความปรารถนาดีเกิดความเอ็นดูเกิดความสงสารแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาและคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดเคยคิดอาฆาตจองเวรกับเขานั้นเราก็ต้องพยายามหัดลบล้างความรู้สึกเหล่านี้ให้หมดไปให้ได้ มารดาผู้มีบุตรที่เกิดจากตนเพียงคนเดียวนั้นเขารักเอนดูเมตตาสงสารรักใคร่ลูกของเขาอย่างไรมีความอดทนต่อลูกของเขาอย่างไรถ้าหากผู้ใดาสามารถทําใจต่อผู้อื่นได้เหมือนกับมารดาเมตตาบุตรเช่นนี้ย่อมจะได้รับอนิสงฆ์ยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วอีกมากขอที่โปรดศึกษาเรื่องอนิสงฆ์ของเมตตาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ก่อน นี้สงเมตตาสิบเอดอย่าง 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา 7. ไฟสาตราหรือยาพิษใด มีอาจทำอันตรายได้ 8. จิตเป็นสมาธิได้เร็ว 9. สีหน้าผ่องใสส0ไม่หลงตายส1อแม้จะยังไม่ได้บรรลุมากผลนิพพานแต่เมื่อตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในโรมโลกคำว่าเมตตาเจโตวิมุต หรือเมตตาเจโตวิมุตตินี้หมายถึงเมตตาที่บริสุทธิ์คือเป็นความเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความเมตตาที่ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเช่นราคะหญิงสาวกับชายหนุ่มที่มีความรักต่อ ก, กันนั้นมักจะมีความเมตตาต่อ ก, กันอย่างลึกซึง้งแต่ถึงกระนั้นความเมตตาเช่นนี้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเจือปอนไปด้วยราคะ พ่อแม่ย่อมมีเมตตาต่อลูกความเมตตานี้ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราถ้าลูกทําอะไรไม่ถูกใจขัดใจไม่ทําตามความประสงค์ก็มาจะเกิดความโกรธความขุนเคืองหรือเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจความเมตตาเหล่านี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดทีเดียวความเมตตาเช่นนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นเมตตาเจโตวิมุต อันหนึ่งโดยปกติผู้ที่จะมีความเมตตาชนิดที่เรียกว่าเป็นเจโตวิมุต t นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานและจะต้องมีฌานแก่กล้าด้วยคือจะต้องมีกำลังจิตหรือพลังจิตเข้มข้นมากในขณะตั้งใจแผ่เมตตาไปยังผู้ใดหรือที่ไหนไหนก็ตามสำหรับผู้ที่มีสมาธิดีเขาจะสามารถเห็นแสงอันเกิดจากพลังจิตอันประกอบไปด้วยเมตตานี้ชัดเจนมาก ผู้ที่มีเมตตาสูงเช่นนี้เท่านั้นจึงจะได้รับอ น, นิสงฆ์ครบทั้ง11ข้อนั้นโดยเฉพาะข้อที่เจที่กล่าวว่าผู้ที่มีเมตตาเจโตวิมุตตไปสัตราหรือยาพิษใดๆมีอาจจะทำอันตรายได้นั้นข้อนี้จะได้ผลจริงก็เฉพาะผู้ที่มีเมตตาสูงและเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆและข้อสำคัญคือต้องได้ฌานขั้นสูงด้วยอ น, นิสง์เรื่องนี้ จึงจะได้รับจริงๆผู้ที่เห็นใครหรือนึกถึงใครอยู่ร่วมกับใครก็มีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีต่อผู้นั้นอยู่เสมอไม่ใครคิดให้ร้ายหรือคิดในแง่ร้า ย, รายหรือคิดในทางอากุศลกับใครๆเลยนั้นโดยส่วนตัวย่อมจะต้องได้รับผลดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นอย่างแน่นอนและยิ่งกว่านั้นถ้าใครทาอะไรที่ไม่ดีกับตน ซึ่งโดยธรรมดาจะต้องเกิดความโกรธความเกลียดแต่แล้วก็ให้อภัยได้เสม อ, อนั้นอา น, นิสงส์ที่กล่าวนั้นยอมจะเพิ่มพูนขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ดีคนทั้งหลายแม้จะทราบถึงอา น, นิสงส์เมตตาเช่นนี้และเห็นด้วยทุกอย่างก็ตามแต่แล้วก็มักจะไม่ยอมปฏิบัติตามทั้งนี้ก็เพราะรู้สึกว่าการให้ความเมตตากันโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นการกระทาที่ไม่ถูก เป็นการแสดงความอ่อนแอแสดงความขี้คลาดจะทำให้คนที่ทำผิดได้ใจในเมื่อเขาทำอะไราผิดก็ให้อภัยกันเสียทั้งหมดคนที่ไม่คิดจะฝึกหัดแผ่เมตตาจิตนั้นส่วนมากก็มักจะคิดกันในทนองนี้แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่มีเมตตาจิตต่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นทั้งไม่คิดที่จะหัดด้วยนั้นเป็นเพราะนิสัยเดิมของตนเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีความคิดที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใครและเป็นคนมีนิสัยขี้โมโหโทโสหรือเป็นคนใจดำใจเหี้มใครทำร้ายหรือทำลายประโยชน์ขัดขวางผลประโยชน์ทำความเสื่อมเสียให้เป็นต้องโกรธคิดแก้แค้นให้อภัยไม่ได้นิสัยต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คิดเห็นไปว่าการให้อภัยการแผ่เมตตาจิตให้กับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรจะทา ที่จริงคนที่ทาความผิดเขาก็จะต้องได้รับผลจากการกระทาผิดของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซ้าเติมหรือไปแก้แค้นตอบแทนซึ่งผลแห่งความผิดนั้นมันอาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบันหรือผลนั้นความจริงก็ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเองจึงคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ลงโทษเสเองไม่เช่นนั้นคนทาความชั่วทาความผิดก็จะได้ใจ และบางคนอาจจะคิดไปถึงขนาดที่ว่าถ้ารอสอนิคนภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นคนมีเมตตาแม้ต่อศัตรูไม่คิดตอบแทนหรือไม่คิดที่จะทำการใดๆอันจะเป็นการลงโทษศัตรูให้เข็ดหลาบหรือกำจัดศัตรูให้หมดไปแล้วหมูแต่ทาใจดีกันอยู่นั้นประเทศของเราจะต้องตกเป็นทาสของประเทศอื่นแน่นอนรอเวลาเกิดศึกสงครามศัตรูยกกองทัพมาย่ำยี แต่แล้วคนภายในประเทศก็มูแต่แผ่เมตตาจิตไม่คิดต่อสู้ก็เป็นการแน่นอนว่าประเทศชาติจะต้องตกเป็นทาสเข้าแน่นอนและการที่จะให้คนในชาติคิดต่อสู้ทำการรบอย่างกล้าหาญไม่กลัวตายนั้นจำเป็นจะต้องปลุกให้คนในชาติรู้จักมีอารมณ์โกรธเกลียดอาฆาตจองเวรความรู้สึกอันนี้จะต้องรุนแรงจึงจะสามารถทาให้คนในชาติคิดต่อสู้ไม่ยอมใครไ ง, ไง่าย บางคนคิดไกลไปถึงขนาดนี้ท่านนองเดียวกับบางคนคิดว่าถ้าคนในชาติพากันบวชเซียทั้งหมดแล้วชาติก็ต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนหรือถ้าคนในชาติถือศีลข้อปานาฏิบาตกันทั้งหมดไม่มีใครยอมฆ่าสัตว์เลยก็เป็นการแน่นอนว่าในแม่น้ำก็จะต้องหนานแน่นไปด้วยปลาจนกระทั่งปลาเองก็จะต้องตายทาให้น้าเน่าและสัตว์ป่าก็คงจะต้องเข้ามาเพ่นพานอยู่ในเมือง พวกสัตว์ที่เป็นอันต ร, รายต่อมนุษย์เช่นหนูยุงมแมลงสาบงูมแมลงป่องตะขาบและสัตว์อื่นๆก็คงจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วคนเราจะอยู่กันได้อย่างไรคนที่คิดดังที่กล่าวมานี้มีหน้าและอาจจะมีมากด้วยความจริงคนเหล่านี้คิดไปโดยที่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้คิดไปตามตัวเลขคิดไปตามตัวหนังสือโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างอื่น จึงได้วิตกกังวลเช่นนั้นเพราะโดยความเป็นจริงนั้นแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่คนในสมัยนั้นก็ไม่ได้พากันบวชหรือถือศีลดังที่กล่าวมานั้นทั้งหมดในทำนองเดียวกับไม่ว่าเราจะสอนหรืออบรมกันอย่างไรมีวิธีการที่ดีวิเศษอย่างไรก็ไม่อาจจะทำให้คนทั้งหลายไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครข้อนี้เป็นไปไม่ได้ เพรานิสัยสันดานเดิมของคนเราที่มีตั้งแต่กำเนิดนั้นไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆและคนเราทุกคนเกิดมาต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำไม่เหมือนกันเหมือนอวัยวะต่างๆในร่างกายฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องวิตกกังวลคิดมากถึงขนาดนั้นอันที่จริงคนเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้น ถ้าหากในชีวิตประจำวันคนส่วนมากยังคงทำอะไรเหมือนกับสันดานของสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ก็คงจะพินาศไปนานแล้วเพราะการรบการฆ่าการทำลายของมนุษย์และอีกอย่างหนึง่งโดยธรรมดาคนที่ทำอะไรด้วยความโกรธความเกลียดนั้นยอมจะทำอะไรเกินพอดีหรือทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายมากตัวอย่างง่ายๆเช่นคนสองคนเถียงกันทะเลาะ ก, กันคนหนึ่งเถียงด้วยความโกรธ แต่อีกคนหนึ่งใจเย็นไม่โกรธพูดด้วยใจเย็นเราก็จะเห็นว่าคนที่โกรธนั้นจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนสติปัญญาไหวพริบในการโต้ตอบจะสู้คนใจเย็นไม่ได้พ่อแม่ที่จะลงโทษลูกในเมื่อลูกทําความผิดครูจะลงโทษเสร็์ก็เช่นเดียวกันแม่จําเป็นจะต้องมีอารมณ์โกรธหรือเกลียดก็ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนได้และจะได้ผลดีกว่าการลงโทษ หรือการว่ากล่าวตักเตือนด้วยอารมณ์โกรธเสอีกในการทําศึกสงครามก็เหมือนกันทหารที่ทําการรบด้วยความใจเย็นไม่ได้ทําด้วยอารมณ์โกรธหรือเกลียดนั้นจะเป็นผลดีมากกว่ายิ่งเป็นแม่ทัพหรือเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วในยามคับขันจะต้องใจเย็นอย่างมากจึงจะสามารถวางแผนรบได้ดีและอีกประการหนึ่งคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์ ทำอะไรด้วยอารมณ์นั้นคือนอกจากจะเกิดความเสียหายได้ง่ายแล้วสุขภาพทางร่างกายก็จะเสื่อมโทรมเร็วด้วยเพราะเหตุนี้คนเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกหัดบรรเทาความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งถ้าทำได้แล้วจะเป็นคนดีแก่ตนเองมากที่สุดปัญหาสาคัญมีอยู่ว่าทาอย่างไรเราจึงจะเป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น ไม่ข um, mm. so so no ah ุ่นมัวง่ายจิตใจสดชื่นอยู่เสมออันนี้คือปัญหาสําคัญเพราะฉะนั้นใครก็ตามเมื่อปรารถนาที่จะให้ตนเองเป็นเช่นนี้แล้วไม่คิดหัดแผ่เมตตาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นเรามีทางอื่นอีกหรือไม่ที่จะฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นได้ดีเท่ากับการฝึกหัดแผ่เมตตานี้การฝึกหัดแผ่เมตตาก็คือการฝึกหัดทําใจ มีให้โกรธเกลียดใครมีให้คิดประทุษร้ายใครคิดเบียดเบียนใครไม่คิดที่จะทำให้ใครเกิดความทุกข์เกิดความลำบากอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายนักถ้าหากจะให้เกิดผลจริงๆเพราะการแผ่เมตตาซึ่งถ้าทำไปตามความเคยชินทำไปตามประเพณีแตกแต่ว่าทำตามๆกันไปนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร ต้องฝึกหัดทำด้วยความจริงใจเท่านั้นจึงจะได้ประโยชน์จริงๆซึ่งขั้นตอนในการฝึกหัดมีอย่างไรบ้างนั้นจะนาไปอธิบายไว้ในตอนท้ายสำหรับในขั้นต้นนี้ต้องการให้เข้าใจความมุ่งหมายเหตุผลสาระประโยชน์ของการแผ่เมตตาว่ามีอะไรบ้างเสียก่อนและเท่าที่อธิบายมาก็เพียงชี้ให้เห็นเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์แกต่ตนเท่านั้นยังไม่ได้อธิบายถึงประโยชน์ ที่จะเกิดกับผู้อื่นหรือเกิดแก่ประเทศชาติว่ามีมากมายเพียงไร